ต่อไปนะครับมมาเนี่ยนะหน้าร8อยปสิบแปมบสววิธีปาฏิเทศนิยเทธนะครับท่านต้องหลายอาบัตที่ชื่อว่าปาฏิเทศสัยะอาบัตที่มีวิธีแสดงอานาสี่สิทธาบทต่างนี้ย่อมถือซึ่งการส่วนโดยหัวข้อหนึ่งที่สู่รูปใดรับของเคี้ยวหรือของบริโภคด้วย ของพิสุจน้ผู้ไม่ได้เป็นญาติผู้เข้าไปยังและแวงหรือว่ามาถกเถียรหรือฉันก็ดีพิสูนั้นจึงแสดงว่าอาภิโสฆ้าพระเจ้าต้องอาบัดมันมีชื่อว่าปาติเทสัญญาอันควรติดเตียงอันไม่เหมาะสมถ้าพระเจ้าขอสแสดงอาบัดนั้น อาบาัตกอง น, นี้นะท่านเรียกว่าไปในสัญ ญ, ญาณนะครับพก็เป็นอาบัต ท, ที่มีวิธีแสดงสัหารนะครับแต่ว่าอาจารย์บางท่านก็บอกว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่แปล่นงนี้ก็เป็นอาบัต ท, ที่เพิง่งเพิ่งแสดงนะเพิ่งแต่ทคืนเพิแสดงคืนนะครับ <c oughs> ข้อ น, นี้นะครับบอกว่าสองข้อจะเกียนเรื่องพิศนีนะครับที่สุราของเคี้ยวหรือของฉันจังมือของพิศนีผู้ไม่ใช่ยัก ต้องเป็นพิสุณีพูกเ ข, ข, นนข้าไปนั่งแวะบ้านนี่ครับเข้าไปในหมู่บ้านนะในตอกในถนนก็ดีนะครับหรือว่าบ้านคนก็แล้วแต่แล้วพิสุก็ไปรับของจากมือพิสุณีตอกมาพิสุนี้จะให้ของแก่ข้าวยังต้องประเคนนะยังต้องประเคนเหอนกัน น, นี่ครับเนี่ยนี้รับจากมือเลยก็เลยต้องอาบัต น, นะครับไปดีนสิครับวนี้ตอนที่เอ็มเนี่ยไปไปสัญญา ตอนที่รับมาต้องมัตทุกกฎพอมาฉันก็ต้องไปเทศนียะเพื่อูกอคํากืนนะครับตรง น, นี้เน้นว่าพิชชูนี้นั่นอยู่ในละว่าบ้านนะถ้าแกามาถวายในวัดมีปัญหานะครับพระอยู่ในวานใช่ไหมแต่ว่าถ้าพิชชูนี้อยู่ในละว่าบ้านถ้าอยู่ในวัดใช่ไหมว่าเป็นวัดติดอยู่บ้านเลยไอ้ตรงอะไรนะประตูวัาตรงไหนพิชษุนี้ก็อยู่นั่นยืนมาถวายท่าเนี่ยแต่พิชชูนี้ก็อยู่ในละว่าบ้านถ้าก็ต้องอบัตร พิ น, นัว่าถ้ากยอยู่ในวกดบ้านนะแล้วก็ผ้าล่ำเนี่ยผ้าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็จะต้องปฏิสฐานแบบนีน้แต่ว่าถ้าพิสนีอยู่ในวัดผ้าก็าาอยู่นอกวัดเป็ น, นเขตบ้านและแมกบ้านใช่ไหมถวายพิสุก็ไม่ต้องอา่านบอกเาคนเอาพิสุนอยู่ในในหมู่บ้านสังเกตคือพิสุนีจะทำบิบายพอบิจทบานั้นได้มาใช่ไหมถ้าเห็นพา้าท่านคเลยเนี่ย นี่หมดเห็นพระมาพิจารณาแล้วนะพระก็พิจารณาทั้งหมดเลยอพิจูนีก็ลําบังทีเพราะว่าเป็นผู้หญิงมีล้านน้อยมีวมาตุคามมีล้านน้อยใช่ต้องไม่ใช่ญาติด้วยนะถ้าพิจูนีเป็นญาติไม่เป็นไรลำบากแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้นะใช่ไหมคนนี้เป็นญาติไม่ใช่ญาติถ้าเรามองประเด็นนั้นอะชาวบ้าก็ไม่รู้หรอกถ้าเที่ยวขี้ด่างนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนอีกแบบหนึ่งน็อันนี้ มันดูต้นบาอย่างเลยเรื่องของพิษุณีรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นคูณป้าๆคุณเจ้าประท่าอยู่หน้าพระเชตวันอารามของนาธรรบิดิกาข้ามบาีเข็พระนครสามวันทีครั้งนั้นพิษุณีรูปหนึ่งเทยวบินดาบไปในพระนครสามวันทีเวลากลับพบพิสุรูปหนึ่งแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าข้าแต่พระคุณเจา้านิมนต์พระคุเจ้าปลดล็บกศึกษาเนี่ยในในหมู่บ้านเลยนะครับ กพราะว่ากายปฏิบัติได้อาหารมาแล้วจำเลยนี้หมดให้ข้างมาลากอาหารพิสุนนั้นกล่าวว่าดีละน้องหญิงและได้รับทิศสาไปทั้งหมดนะครับเอาไปหมดเลยเพื่อเหลือให้เลยนะครับคันเวลาเที่ยงใต้เข้าไปพิสุนีนั้นไม่อาจาไปเที่ยวปฏิบัติได้เพราะว่ากายกลับไปเที่ยงรอบนไม่ได้ะนะ้รัายเที่ยงนด้ไครับจึงอดอาหารอันนี้คือวันแรกนะครับคั้นต่อมาวันที่สองเหตุการณ์ก็เป็นไปเหมือนเดิ พิสมีบินทะบายไม่ได้มาเจอพิสุรูปนี้เหนะครับก็ mm. น, นิมมติท่านรับนะถ้าก็รับไปหมดเลยนายก็ได้ต้องอดอาหารไปวันที่สองต่อมาวันที่สามนะครับพิสมีนั้นเที่ยวบินทบายในพระนครสามวันทีเวลากลับพบพิสุรูปนะั้นนะรูปเดิมนะและได้กล่าวคํานี้ว่าข่าแต่พระคุณเจ้านี้มติพรคุณเจ้าโปรับพิษาพิสุนักสาว่าดีหลาน้องหญิงและรับพิษาไปทั้งหมดนะครับ ครั้นเวลาเที่ยงใกล้เข้าไปพิสุณีนั้นไม่อาไปเที่ยวปินาบานได้จึงอดอาหารสาวันเลยนะครั้นต่อมาวันที่สี่พิสุณีนั้นเดินส่วนเซไปตามถนนพ่อไม่มีแรไม่ได้สัอาหารสามวันครับแต่สีข้าบดีขึ้นรถสวนทางมาได้กล่าวคำนี้กับพิสุมีนั้นว่านี่มอนิจไปหน่อยแม่ทราบพิสุณีนั้นหลีกหลีกหลบ ล้มลงในที่นั้นเองไส้ทีข้าบดีได้ขอขอมาโทษพิสุณีนั้นว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านโ ป, ปรดบโทษแก่ข้าพเจ้าที่ทําให้ท่านล้มลงเจ้าค่าพิสุณีตอบว่าดูก่อนข้าบดีท่านไม่ได้ทําให้ฉันล้มฉันเองต่างหากที่มีกําลังน้อยศรษทีข้าบดีถามว่าข่าแต่แม่เจ้าก็เพราะเห็นไปเล่าแม่เจ้าจึงมีกําลังน้อ ย, ยจึงพิสุนีนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นให้ไสษฐีภ้าบดีทราบ แต่ทีฆาบมดีจึงนำพิษุณีนั้นไปให้ไปให้ฉันที่เรือนและเพ่งเทิดเตรมพุทนาว่าฉันนัยพระกุณจ่าผู้เจริญทั้งหลายจึงได้รับอนมิจจัเมุอพิษุณีเล่าพ้อมาตุคามี่าบอตคติธรรมดาพิษุีจะมีลาน้อยของพรานะส่วนอยางคนจะมาสมุทรจะมานิมนต์พระอะลใช่ไหมนิมนต์ผู้หญิงไม่ค่อยมีนะครับนิมนต์เชียยิ่งแรกใหญ่นี่ไม่ค่อยมีนะับยิ่งน้อยน้อยมากนะ เพราะน้ำมาตะคาวหรือบวชเข้ามาแล้วก็ลาออกไปน้อยนะครับนอกจากคนที่แบบมีญาตินวยญาติอะไรอย่างเงี้ยนะที่สุดทั้งหลายในยินเสดีข่าบดีนั้นแท่งทอดจิตเตรียมปุถนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มากน้อยสันโดษต่ก็แท่งทอดจิตเตรียมปุถนาว่าฉะนั้นพิสุดจึงได้รับอนมิจจาบรรลุพิสุนี้เล่าแล้วกังนุนแตนเม่าข้าเจ้าพุทโธงทรงสอบถามทรงตรีเตรียมพิสุรูปนั้นแล้วก็เมืองฐานตัวนี้ขึ้นมา ที่มาดูคำที่วานในตนนะังขาหน้าสองร้อยหกสิบสี่พรน า, นาปาริเทสนียุทศอธิบายหมวดไปเทศนียนะอธิบายไปเทสนียะสิกขาบทที่หนึ่งบรรดาไปเทสนียะสิกขาบททั้งหลายพึงสราอาธาิบายสิกขาบทที่หนึ่งต่อไปเพราะคาว่าอันตรครังตวิทยะ แปลว่าพิจุนีพวกเข้าไปสู่ละแวกบ้ับต้องตรงนี้ด้วยถ้าพิสุยืนรับเอามาในที่ใดที่หนึ่งจะเป็นถนนตรอกทางสามแยกหรือบ้านก็ได้นะครับรับของเคี้ยวของฉันจากมือของนางพิจุนีที่ยืนให้อยู่ในวัดเป็นต้นก็จะยืนหรือว่านั่งร่ายแต่นะครับด้วยตนเองไม่มีโทษเพราะว่าพิจุนียอยู่ในวัดนะครับอ๋อพิษุณีเนีย่ยเป็นแก่นนะ ถ้าจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพิสมนีก็ถวายนะครัอันนี้ไม่มีโท่อเขาเอาพิสมนีบปงเกณฑ์ว่าพิสมนีเนี่ะต้องอยู่แล้วแม้บ้านเท่ า, น, ทานั้นถ้าอยู่ก็ต้องอาบบ๊อแต่ถ้านายอยู่ๆนะยืนให้อยู่ที่ถนนเป็นต้นเมื่อพิสูจน์ยืนอยู่ที่ถนนเป็นต้นหรือที่วัดเป็นต้นรักอาไม่หย่างยันเพื่อเดชฉันต้อง ก, อ ก, กับทุกฏเพราะการรับปรคท พราะปิชฌนีอยู่ในขนมนะครับอยู่ในบ้า น, นะะาถ้าเขาอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่วัดก็แต่นะนะแต่พิชฌานเนีย่ยอยู่ในหมู่บ้านนะเขตหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่นี้เอาละแรกบ้านนะครับที่ที่สถานที่โยมเขาอยู่บัานนะหรือแม้แต่เป็นขนมนะครับอันนี้นะครับล่าไว้เพื่อจะฉันต้องปัดไปเทศานียะทุกข์กอดนะข้อการรับปรเคนต้อมไปเทศานียะทุกๆ ค, คําำึง อาการที่พึงแสดงอาบัตไปเทสัญญะนั้นพึงว่าภาคทรงแสดงด้วยแล้วในสิกขาบทโดยในเป็นต้นว่าทารายธรรมอวิโสดูก่อนผู้มีอายุนะครับข้าพเจ้าต้องอาบัตอันมีชื่อว่าไปเทสัญญะอันควรติเตียนอันไม่เหมาะสมข้าพเจ้าของแสดงอาบัตนั้นวิธีการแสดงต่อไปเห็นเกิดได้ประเภทอาบัตสิกขาบทนี้ ผู้พระาคเจ้าทรงประลบพิสุรูปหนึ่งในมืองสามัคคีบรรญัติไ้แล้วก็เหตุคือการรับของเคีย้ยวของฉันจากมือของพิสุนีผู้ไม่ใช่ญาติไม่ต้องใส่นาเข้าไปก็ได้ <c oughs> พิสุนีเข้าใจ น, นคะครับผู้ไม่ใช่ญาติอยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> เป็นอาสาทาร่าบรรยัติพิสุนีนี่มีเพราะพิสุนีเขาก็รับขอกันได้ถ้ามีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ภาพของพิสุณี อนันติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครับต้องไปรับเองนะถึงสาสิกาบทที่เหลือก็จัดเป็นอาสาสธนาบัญญัตินะครับคือไม่ตัวปฏิทินีนะอนันติกาะไม่เกี่ยวการใช้เหมือนกับสิฆาบทที่หนึ่งนี้เหมือนกันเอาว่าเอาพิสุนีน่ยอยู่ในระแวกบ้านใช่ไหมทานอยู่ในระแวกบ้านถวายอันนี้ต้องบัตรใช่ไหมแต่ถ้าพิสุนีเออไม่ใช่ยากิแน่นอนะนะ แต่ว่าพระพิสุณีอยู่ในวัดพิสุจะอยู่ในวัดหรือว่าอยู่ในบ้านเขาได้แต่สมมติว่าที่บ้านเนี่ยไอ้วัดกับบ้านมันติดกันใช่ไหมไอ้พิษุณีก็อยู่ในเขตวันเนี่ยพิสุก็อยู่นอกวัดเขาก็อยู่ที่ ร, รู้ว่ากําแพงหรือว่าที่ประตูเนี่ยยื่นอาี่รถวายให้พระได้ทานบาตรพระเขาเล่าอย่างนี้นะท่านี้ตัวพระอยู่ในว่ากับบ้านแหละแต่ว่าพระไม่ต้องอาบัดเพราะพิษุณีอยู่ในวัด เขาเลยบอกว่าข้อนี้อาพิชุมีเป็นเกณฑ์ถ้าพิชุมีอยู่ในระแวบ้านนะถ้าจะอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านอยู่ในวัดแล้วก็สร้างอ่านนะฟ<ม>ไปนะครับเป็นปิกปาติดเทศนียะนะครับหมายถึงว่าพิชุมีนั้นไม่ใช่ญาตนะครับ<ม>เข้าใจหรือไม่รู้นะสงสัยหรือสําคัญถือว่าเป็นญาติถ้าไปรับมาก็ต้องานบัตรไปในสนียะทนั้นนะครับ อ่ามิเป็นยามากการมิ้เป็นต้ม อ, อืมนะยามากการนี่คือน้านําลานะาแล้วสแตการนี่กุโนสายในคนน้ำมันน้งน้อนยแล้วก็ยามาชีวิตยาที่เก็บไม่ได้นะครับยาตลอดชีวิตนะอันนี้นะครับพิสูจมีถวายพิสูรรับมาเพื่อจะเป็นอาหารนะพิสูรรับก็ดีฉันก็ดีตั้งมัธุกฏทั้งในตอนที่รับทั้งในตอนที่ฉันนะครับอันนี้บัดเบาลง เพรที่เป็นอาบัตปายเฮสา น, นิยสิกขามันนี่คือรากของเคี้ยวของฉันมาฉันแต่ถ้ารับน้ำตาน้ำสตหานาหรือว่ายาตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้อบัตก็จะเบาลงไปทุกคนพิสุรับยาวัคคารินะครับนี่วัคคาริาาการคืออาถานะหรือฉันของนางพิษุนีนะครับผู้บวชจากสองฝ่ายเดียวคือบวชจากพิษุนีสองฝ่ายเดียวยังไม่ทันได้บวชจากพิสุสองนี่นะ อันนี้ต้องบัทุกกฎเหมือนกันนะคร<ม>ับต่อไปนะครับพิสุนีเป็นญาติพิสุสสำคัญว่าไม่ใช่ญาตหรือมีความสงสยัยไอยญาติหรือไม่ใช่ยากิทานี้เป็นญาตินะอันนี้ก็เป็นทุกกฎนะครับมีนายเหมือนกันเป็นบัตรทุกกฎอนาบัตที่สุไมาต้องบัตรเมื่อพิสุนีเป็นญาติสำคัญว่าเป็นญาติมีกราบได้เป็นไรพิสุนีเป็นญาติวายนะครับ อันนี้ก็ได้นะพิสุณีวางไว้ถวายคนนี้ก็ต้องถวายดมือนะนะหรือว่ารับจาบ่ายนี่ครับแต่ว่าถ้าเขาวางไว้ถวายยังไม่ได้ประเคนก็ให้คนอี่ประเคนให้ก็ได้นะครับนึงตัใช้ได้อม่เป็นไรพิสุณีอยู่ในวัดอันนี้ก็ได้ในวัดถวายอยู่ในสำนักของพิษุณีอยู่ที่สานักอนิอยู่ที่รองฉันอันนี้ก็ได้นะึครับ่เป็นไร ต่อไปนะครับนำเอาไปถวายนอกบ้อาอออกจากบ้านก็เลยไม่เป็นไรหรือถวายยามาการี่คือนาตานเป็นต้นด้วยกลาวา่าเมื่อมีเห็นนิมนต์ฉันเถิดให้ฉันตามการท่านได้เล่จาจำเมือนาสิบขามานาสามเณรลีและพิสุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัดนะครับเอาเพา พ, พิสุนีจริงนะอ๋ออาบัดสิคราค น, นี้มีองค์ห้าคือหนึ่ง พิสุนีอุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ายสองไม่ใช่ยากนะครสามพสูรับด้วยตนเองจากมือของพิสุนีผู้ยืนถวายอยู่ในบ้านสี่อามิตปัญญาวาการิคือเป็นอาหารห้าพิสู์ฉันนะครับเมื่อครบองก็ต้องอไปตีนในสถานบนันี้สถาบันเป็นต้นเหมือนกับเอลกัสลอมัสสิขาบทแรงสถานบนัานอะไรครับ กายกายเกายจิตนะครับเขียนว้ให้ร้าใช่ไใช่ไอจิตนี่ไม่มีจิตเป็นยังไงครับคุณทรยไม่มีจิตเป็นยังบอกแค่กายเฉยก็ต้องบบกเอากายกับกายนี่คืออะไรครับกายกันัล่ยคือละมาฉันนะครับละมาฉันเลยนะบแะจิตนะคะบจิตคืออะไรมีคิดจะฉันมีคิดจะฉันมีแคจิต บอกว่ามินจิตก็โดนแม่มินจิก็โดนนะตรนี้รู้ว่าไม่ยากรู้ว่าไม่ใช่ยากครับเจีกู้ต้องรู้นะครับรู้ว่าไม่ใช่ยากถ้าไม่มีจิตก็ไม่รู้ว่าไม่รู้นะก็ต้องนะครอบนี่เลยเป็นกายก็ได้กายจิตก็ได้จบการที่บานปายในสัญญยสิกขาบทที่หนึ่งนะครับก็ไม่ได้หายไม่ได้หายงานนี้ ถ้าแกจิตตะการนี่ก็จะโดนหมุนนะเป็นจิตตะการนี่ก็จะโดนหนมะุนเลยนนะแต่ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงต้องอย่าพูดพูดถึงใข้ อ, ขอนั้นนะข้อต่อไปถ้าหากจะพูดถึงเป็นพิสุนีเดี๋ยวไปสังเกตุว่าเป็นสามเณรีอะไรอย่างเงี้ยสิขามาณเนีย่ยก็โดนเหมือนกันอันนี้โอเคนี้เท่านั้ถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นกิริยาต้องพักการทำมาแต่ละมือชั้นโ น, นสัญญาวิโมกไม่รู้ก็ไม่พรอนอ จ, จิตตะการนะครับ จะรู้แม่รู้ต้องบอกทั้งนั้นปนติวัชชาไมไ่เป็นอกุศลที่อย่างเดียวแค่รับมาหารจันูทิสุนี้นั้นไม่ใช่อกุศลที่เย่างเดียวครับกายกรรมก็ได้นะครับวจีกรรมวจีกรรมไม่มีอะวจีกรรมไม่มีอันนี้เกิดมาคับสมุดท้ายเขบอกแล้วนะกายจิตวจีกรรไม่มีครับมีจิตสามวธานาสามดังนี้ไงจบแล้วนคนนี้แค่นี้ตอนนี้ไม่มีนักทีิสุนียย